เราได้ประชุมพร้อมกันนี้แหละเรียกว่า ม, ากมกักสมัคคีเราพร้อมกันทํววาเราก็เลยกระพร้อมกันประชุมก็พกร้อมกันยังก็ามักนี่แหละประชุมสมังคี พร้อมเพียงเกิดขนแล้ววิตกวิจาปรปติตุกเอกาตาก็จะเกิดขึ้นก็นเราเกิดซึ้นเราก็ต้องผมุผมคมเล็บฝันน้ำเราก็จรู้ขึ้นเรื่องวิตกวิจารณปิตุกเอกาตะเบขา ก็ยังมีขึ้นเมื่อกตากระบุกอิเบิานี่มันประชุมพร้อมกันแล้วเราก็เรื่องอริสัะเข้ามารู้ขึ้นเองความอริสตีมันเรื่องความเกิดแก่จิตาย เราก็พยายามทรกันเถอะเราที่มาปฏิบัติว่าดวงตาเห็นธรรมเราก็จะมาเห็นความจริงความคกอดเกิด้ตายจะได้ปรากฏคือเราแลวความลบกดลงม่อก็จะดับ เท่านิวห้ามันกว้างอืมันก็ไม่ประจุมักจะมังคีได้เมื่อมักจะบังคีนั้นไม่เกิดกันเราก็หูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็หูจะไม่เห็นอะไรจะตืได้หูตาจมูกลิ้นกายใจ เมือ่อประชุมกันเป็นอันเดียวขึ้นลแล้วแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นวิตกคืออย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยเรายังไม่ไม่รูวรวร้ว่าสมาธิเกิดขึ้นแลว้วเราก็ ตัวนี้วนห้านี่แหละมันจับเราแล้ ว, วมันมันไม่รู้จักได้มันมากลับรูปกลับเราทำให้ง่วงเาหาา้องนอนขี้เกียจขี้คร้านกบวี่ขึ้นกับเรา ที่นี้ที่ไหนเลยเราจะรู้จักอริยสัจสได้เพราะเราต้องต่อต้ารู้ในวนความมีสติสมรมัญยะให้รู้จักธรรมะคำจังจอนของพระองค์เมื่อเรารู้จักคำจอนของพระองค์ ซึ่งมีสติเป็นหัวหน้าแล้วก็เราก็จะเกิดธรรมะขึ้นสิเรื่องกาใจเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นความไม่เบิกบานไม่มีปิติที่ไหลในยะชนะนิวรณนได้ เราต้องสนใจให้เราปฏิบัติกันดูเนี่ยก็ตังค์นตังไม่รู้กันทั้งนั้นก็สไนเลยจะเข้าไปถึงเจอเจอพราริสัตขึ้นได้แล้วไม่มีมครูบาอาจารย์แนะนำหรือสั่งสอนเราก็ขน ควรธรรมควรเอาต้องควรรธมธรรมะนี่ก็สอนแล้วสอนอีกมันยังไม่รู้ก็ต้องสอนให้จะมี้จำนานาก็เรานี่แหละวิตกวิจารปีติสุขเอกขาตาอุเบกข์ว่า มันมันเหมกับเราทานอาหารนี้แหละถ้ามันเข้าใจว่าได้แล้วเราก็าจะรู้จกักกํำลังกํำลังขันนู่นี่ปิติ มันยังปิตินปิติยังไม่ดับเนมันยังไม่เข้าความถุขกขรบปิติมันยังท่วห้าอานทวอยนั้นทวอยนี้เราก็เราต้องทำมือจิตดำมัมาทึงแล้ว ป, ป, ปิตุกิจานปิติทุกข ถ้าปีติยังไม่ดับความสุข ก, ก็ไม่มีเหมือนกับเราฐานอาหารนี้แหละถ้ายังอยู่ในปีติแล้วก็สุข ก, ก็ไม่มีหรอกสุขนี่แหละใจมันจะเฉยได้ การเฉอได้อยู่ในปีติเนี่ยปีติเนี่ยมันทำให้เขา้าถึงความอิ่มได้อิ่มนั้นอะไรก็ไม่มีความทุกแล้วก็ปีติหนาไปสิเราไม่พิจารณาลุ้ก็ไม่รู้อุจจตุกจิตขึ้นตัวองฌานพราะฌานไม่มีเลยจะไปยกยังไงเนาะต้องกำลัดไปก่อน กหนดผมเนี่ยก็บกกนดผมขุนเล็บฝันหนังเราก็กำหนดไปเมื่อเราได้กันแล้วมักนิ่ปัจจุบันขึ้นแล้วเราก็ ก็ควรไปส้มหม่ความที่พอใจเราก็จะไปอยู่ในองค์ฌานมีพุ่มคนเล็บปันน่างเป็นองค์ฌานเป็นที่พึ้งได้เราก็ทมไปนักเข้าเป็นเอาไว้สี่ล้วก็คลองแคล้ววองไวสิเราก็จะเดินในการกรรมฐาน รู้จากการเข้ารูจากการออกเราก็จะพ้นทุกข์มันเข้ามาออกเข้าจานออกจานกลายในผ่านเที่ยวนั่นขอให้เร า, าทำดิต้องไม่เพียนไม่มัน ไปเตปป์ูดมากกับเตียงอยู่เตียงไม่มี <S <S เราก็เตรียมพร้อมกันอยูท่ ท, ทุกวันทุกวันทุกคืนเตรียมพร้อม การปฏิบัติทมทมหนึ่งนี้ก็ยังดีอย่างเล็กเรียมพรอ้อมกุลสุเมอไม่เสีทีเราก็เที่ยวปฏิบัติโคอจรอวิริบาตขึ้นมาเลี้ยงอัตมาไปหวานหวานหนึ่ง แล้วเราก็ทำคันติความอุทนไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกลียถึงขี้เกียจเราก็ทนทนปฏิบัติสร้างความดีสวรรค์จับัติให้เกิดในใจเรา นีผ่านสมบัติก็ให้เกิดในใจเราทาไมได้นีผ่านสมบัติก็ได้ชาถ้าได้า่านฌานก็เพรามรลกสมบัติเราก็ได้ติงเรารักษาตินติงไหวยอย่างไม่ได้ไปเทวโลกสมบัติ ก็อย่างไรขอให้เราได้เต็มอกเติมใจวเวลามาสร้างบารมีกันเนี่ยคนเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อใส่แล้วก็ติ่งย่างไม่ได้ก็แต่งใจก็อำนาจรักษาสิล การิกรารปฏิบัางก็ยังได้บุญได้กุศลของเราอย่างดีก็เทวโลก <c oughs> ก็ไม่ผิดที่เราปฏิบัติเพื่ให้เราเต็ม อ, อกเต็มใจว่าเราได้มาบานพบ บารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเราพวกเราเกิดก็มไม่วางศาสนาเราก็ได้พบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างไรกปฏิบัติกันอยู่นี้ทุกคนขอให้เรารักษาความไม่กระตดกกรไม้เหอะจะสบาย จะประาดเจ็บกา ย, บบายก็ยกไม่มีความปุกขึ้นสี่เลนัทุกข์ตั้เงินติผู้ใดมีสิ่งก็มีความปุกแต่สิ่งอย่างเดียวก็ยังมีความปุกแล้วสี่สีเลน้นโผกระทำปราไปเกิดในเทวโล ก, กว่ามีพกกระสมา ตีเลยนะในพุทธิงา น, นต์ตัดสมาธิหลังวิโตทะเย่จะไปี้ผ่านได้ก็พอสิขอให้รักษาสิ่งบริสุทธิ์ดีเท่นานั้นแหละเราก็มีโชคดีนะก็เราก็จะได้ผ่านพบธรรมาของพระองค์เราก็เป็นชื่อโชคดีแล้ว ขอให้พวกเราจยากกี่เกียรติอยากกีการไปเ ย, ยามมันทําให้ดีแล้วจะได้เปโชคดีทุขโตอยู่ที่กุงไหนก็ดีอยู่ที่กรุงนนทก็ดีมานั่งที่นี่ก็ดีมานอนอยู่ก็ดีดีทั้งหมดนะขอให้พวกเราตั้งศรัทธาให้มันแก่กล้าโอใ จะไล้พ้นทุกข์กันนะเกิดมาต้องตายหมดทุกคนแต่จะตายก็ไม่ว่าให้ไปเป็นเทวดาก็จะทุกข์ทุกคนก็เป็นนาทีดีแลละแล้วก็ยังได้วางศาสนาก็ยังได้ไปฝังพระพุทธเจา้าใน่านรองหนะ้นนะในขานทาตุอีกท พวกเทวดาจะได้ฝังจะได้ถึงแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงพระธรรมก็เป็นที่พึ่งพระธรรมก็เป็นที่พึงแล้วก็หมดทุกข์กันครั้งนี้แหละเราทําไหมดีเราจะได้ผ่านพุถุกุศลธรรมกุณลสร้างกุศนะสร้งใจ เมื่อเว่ขวาทับเมื่อซ้ายข่าวขวาทับข่าซ้ายตั้งกายกลงยำรงสติให้มันก็จะได้มังคนมาอยู่ในดวงเ ก, กโดวงใจของพวกเราก็เป็นสุกสุขเสร็จอัปปดเก็บ ลุงปู่ติมก็ดีนะลุงปู่ติมกระดูกสามร้อยทอนพวกเราก็ควรหวังเป็นผู้บารมีถึง ปฏิบัติธรรมทพระท่านเป็นอาปสาวกของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ขอให้เราเป็นตามไปพวกสาวกของพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจ ก็ตรงอยู่ในใจเท่ากับว่าเราเอาธรรมะเอาหัวใจเราเป็นสมมติไว้ให้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระงฆ์เจ้าเราจะได้มือจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะได้รู้ความเป็จริง คือตามพระองค์ที่แนะนำและสั่งสอนเอาไว้เราก็แตนเอาใจแตนเป็นทบบาทไว้พระองค์นั่งแล้มงมันมีสมาธิแล้วก็ได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็จะได้พราได้ตอง ไหวใ ก, กล้ที่ใจเรมเลยก็ควรนะก็ควรฟังบรรดูธารมราทอดเราก็จะได้พิจารณาถึงความใจก็จะได้คิดดู ประการลักเป็นแรงปรากฏกันแล้วเร า, เราดังกรรมสานแล้วเนี่ยเราก็ประแผ่ไปตาแล้วว่านึกไข้กับหมู่ญาตที่เราแตกดับแตกดับก็ไปแล้วอยู่ยังอยู่ก็ดี ก็แคบุญคุศที่เราทำจะมาที่ไปให้เนี่ยขอให้ได้โดยเจบาพระพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสง์อทใจเราก็แก่แล้วพิดว่าเราก็แก่แล้วคำ ท่ให้หมดผู้หญิงให้หมดผู้ชายเราคุนแใจแล้วไมเเ่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่ ม, ม, มีแล้วก็จะเหมาะกันว่า ผู้ชาคุนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสง่งอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่มีชายแล้วไม่ไม่ผู้หญิงก็ไม่มีแล้วทั้งหมดผู้ชายซะแล้วก็ไม่ตรงการผู้หญิงผู้หญิงไม่มีก็ไปตรงการผู้ชาย ให้ทําใจอย่างนี้กันทุกสุของเราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วให้เป็นพระเจ้าเวรสูงทําไม่หมดหมอดใจหมดจริงจะตั้งใจให้ตรงให้ถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจกทํา อาจก็ใจดีจะหมดเพราะแปลไปก็ได้มันหมดสายหมดอิงเมื่อมันไม่มีแล้วก็เทอ่ทยตัวไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์ไปถุกถูกองทองบาสกาแม่ทีพระพระิสู ก็ให้ตั้งใจอย่างนี้ด้วยกันทุกวงแล้วแต่จะได้โสดาก็ได้จะได้สกิจ่าขาก็ได้จะได้นักขาก็ได้จะได้พระรหันต์ก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจกันอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดไรกันมากหลอกพูดก็ว่าให้ไม่เสถา ในพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตเห็นตถาคตก็ผู้นั้นก็เห็นเราทังกล่าวิยงนี้แหละเราก็พยายามทำใจให้ทุกรูปุกหนามมันได้เกิดเรื่อยๆไปหรอกมันคุนแก่แล้ว อาจจะหลงไปเปราะแพรเป็นพระหันก็ได้หรือเมื่อขนาจะขาดจิตก็ได้แล้วทำไมตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกๆองล้วจะได้ไม่ผิดหวัง ภาษาลิบุตวฟังเทศว่าแต่ที่เรเราเป็นผิ้ถุพึงศึกษาใหม่เราไม่รู้จะพูดอะไรมากนักพอเข้าใจก็ได้ภาษาลิบุตก็บอกว่าไม่ต้องพูดมากหรอกพอเข้าใจเช่นนั้นสิ่งอะไรมีเรื่อเกิดสิ่งนั้นก็มีเรืดับ ตอนนี้ก็พระสับูตรก็กราบพระอาตจิก็ได้พระสุนาพไปแล้วเราในกรรมกันได้เกิดมันมีกรรมมีแต่แดนดับแล้วเราก็จะไปถือแล้วเราก็ถือมันเอาเลนมันมีแดนดับแล้เราก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรดันเกิดเรา มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับมจะมีอะไรก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็สินไม้ให้จำตัดดอนมันลงไปมันก็จะจ้องพ้นถูกควรก็ได้ต่เงินราดมีด้นเกิดก็มีดนด ให้ตังใจยอยู่อยเทุกวมจะไม่ิดะคนเราที่จะนั่งกรรมฐานเนี่ยความคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจยอยู่ พระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระทรงกระเจ้าอยู่ที่ใจคณเราเพื่อมรักพุ่นินผานคือพระพุทธเจ้าเป็นโยคของธรรมที่พระองค์ที่เป็นโจคของธรรมเราต้อง ลกสิพระองค์อยู่ไม่ขาดสายลึกแล้วลึลิกอว่าพระพุทธอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพอลลกนึกสิงพระพุทธเจ้ากับอารมณ์อื่นๆมันก็เข้ามา ที่หัวใจเราเรามีอารมณ์นี้เราทีจ่จะได้พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจพระธรรมมราอยู่ที่ใจพระสงฆ์มาอยู่ที่ใจให้ชมว่าพระพุทธเจ้า เป็นเจ้าของธรรมจริงๆเราก็เลยลิกถึงพระองค์อยู่ทุกขกนะถึงเราจะนั่งอยู่ก็ดีต้องคิดถึงพระพุทธเจา้าอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องอื่น เพราะเรื่องอือ่นๆเนี่ยไม่ดีมันเข้ามาเพื่อทำลายทำลายที่ควรนึกก็มันก็มาให้นึกจะก้ะเป็นนึกอย่างอื่นแล้วรูปกรรามฐ า, านของเราก็จะเสียหายเพราะที่แนนามว่า เสนอแลตักเตือนวันนี้ก็เพื่อให้มีความรู้จริงๆแล้วเราก็คงจะได้จริงๆปฏิสังข์งงรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนว่าเราจะต้องปฏิบัติให้เลย ทิ้งอย่างเดียวเหมือนประพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ครูบาวอาจารย์ เ, เป็นเอกไม่มีใครเท่าท่านครูบาอาจารย์ได้ก็พุทธเจ้าของเรา <c oughs> ที่นี้ลูพกพ่อสิงก์ก็สอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงอยู่ที่ใจแล้วเราก็ได้ไม่รู้หนังสือและมาเจอธรรมโวดาไอขึ้นเราก็ ง่ายว่างง่ายเจ้าคุนนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆคนมันคอยจะคิดไปอย่างโน้นอย่างนี้มากัดถึงเรื่าจาร์ติงอย่างมาตรานะึ คนนี้นะเป็นพระสงเอใครขมาก็ชมมาตาว่าเป็นมาตาเป็นผู้เจริดเราจะไปหลงใจของมาตาที่มันจะรู้ได้ยังไงทีนี้ก็ไป หนึ่งบ้านมาตาก็เลยพระธรรมมาจากทางไกลท่านก็อยากจะอาบน้ำท่งน้ำเสักกันเดียวในที่างานเยอะก็ ก็ชายคนอื่นให้ตักน้ำมใม้พระต้องการจะส่งน้ำแล้วก็มาส่งให้พระท่งมาตอนน้ถ้าคุงจะรู้เราไม่งั้นไงก็บอกให้เอาน้ำมาพระท่งจะส่งนำ้ำ ก็ได้ทันทีทีนี้ก็พวกนี้นึกใหม่นึกใหม่พวกนี้ธรรมาตาได้รู้จริงๆแล้วก็ให้ที่แกงงบ ม, มาด้วย ให้มาด้วยแล้วถือแกนงอมมาด้วยไม่คุ้นเลยถือถ้ารู้จริงก็ให้มาตาหมาด้วยทีนี้มาตาก็รู้ต้องการพบตัวแล้วก็ถือแก่งอมมา เราถึก็รู้แปลว่ามาตาเนี่ยสมกับที่เขาเลยเขาพูดกันเราถึก็รู้แปว่ามาตาเนี่ยสมกับที่เขาเลยเขาพูดกันเป็นผู้รู้ใจของบุคคลอื่นได้จริง นี้พระเจ้าเข้าแล้วแล้วก็ถามมาตานี้รู้วาระงใจของคนอื่นได้ไหมมาตาก็พูดว่าพระนิจเจ้าก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ถามว่ามาตารู้ กวพระเจ้าเขาก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นหละพูดก็บอาแกไม่รู้หรอกแกว่าพระเจ้าเขก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นพอจันทร์จันแล้วก็ขอลากลับ ก็มันักว่าพูดจด้ยาวว่าพระธรรมบอกรู้มาตราหนรู้วาระในใจคนที่นึกอะไรก็รู้หมดถึงนั้นเลยพู้รู้จะจ่าจุนบอกว่า ท่านก็ขวนอยู่กับมาตานั่นแหละให้มาตาปฏิบัติแล้วก็ได้รู้ความจริโอ้ไม่ได้หรกเ้าเพราะมาตานี่รู้มากไม่เท่านั้นแล้วรู้แล้วพระองค์ก็บอกว่า เพรักษาของอย่างเดียวไม่ได้หรืออะไรปัจจุบันยังไม่นึกออกวางข้างนอกแล้วมาตาไม่รู้หรอกรักษาของอย่างเดียวตัวนี้มาตาก็มาตรงอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบเอาไป ก, กลับไปอยู่เธอเธอจะนึกมาข้างนอก มาอากามาตาูก็กลบ อ, อ, อยู่ก็มาตาก็ทาอาหารเ่นให้บรรพครอบครับทรามันั้นนั่นเองบรลุพระหันเปยนเกรละละ สราีใจพระใจพระมีใจขอให้เราเยอยู่อย่างีเถอะคงจะไม่ผิดหวังพระองค์นั้นก็กลับมาให้มาตาปฏิบัติตามันไม่คิดอบบานักเลย สมิพรเหาญสมิตรเพลหาคิดดูโอ้มาตาเนี่คาเราจะังเ้าสิชัดเลยแต่ก่อนนี้ค่ามาส ตังกา่าสิบชาติเลยแล้วมาตาลกร็รู้รู้กล่าวรู้แล้วรู้จักโทษกล่าวแล้วขอให้พระองค์ระลึกประชารถีรอยขอให้พระองค์ระลึกชาติปฏิรอยพุนานกา็เลยชาติปฏิร้อย มาตัดได้ห้ชีวิตไว้กันเนี่ยพวกเราก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคนมันคงจะเกี่ยวข้องกันมานะแล้วอาศัยว่ากีเลศกันมากคนนี้ได้กันแล้วเนี่ยมันไม่ได้กัน มันได้ก็มันล่ล่าชาติแล้วยังไปนึกว่ามาได้กันเพิยชาติเดยวตนี้มันไล่ล่าชาติไปแล้วนะเวลเราไม่ได้ก็เพราะเราไม่ยด้ไม่ได้ธรรมะที่แท้จริงถ้าได้ธรรมะที่แท้จริงเราจะรู้ได้ว่า ถึงเป็นอย่างนี้ก็งลงวัดีกันอะไรกันแท้ๆฆ่ากบมาซะทั้งกาวสิคราตเลยคุณนั้นก็มีความรู้บอกกับฉันเลยลึกปวิธีฆ่าตี่รอยคุณนั้นได้ห า, าชีวิตไว้ พวกเราเนีอุตระทำสมาธิกันดูทุกข์ทุกข์เนี่ยนึกทึ่งว่าพระพูทธเจ้าอยู่ในใจก็แล้วกันพระธรมก็อยู่ทในใจพระโตกก็อยู่ในใจให้ระลึกยุ่มีแหละเป็นอารมณ์เราต้จงยด้ทํา มาที่ยังไม่รู้เราก็จะดึงอุขึ้นนั่นอย่างอง์นั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะม่บอกว่าเธอไม่ต้องคิดออกมาเลยมาตาไม่รู้ถึงไปทำได้ถึงไปรูได้มีชาติอดีตที่ พได้ว่าดีสักครางสกครั้งที่ทาก็รานี่ก็เมนมกันนะมันเอไม่รู้ันก็รู้ไม่ได้ถ้ารู้กันได้แล้วก็มันก็เห็นได้ธรรมะเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิติชอบ ทำมันก็จะเห็นได้มันก็จะรู้ได้มีความดีขึ้นเราก็มีความสุขขึ้นเราก็ต้องความชั่วความดีเราก็รู้เองเห็นเถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่เป็นธรรมะ อย่างเราพูดจะยากว่าวไว้ในนามาเมื่อเราไม่แปลเราก็ไม่รู้เราทีที่เรวทราบเั่วอันนี้ไม่ดีมาถึงมาปฏิปทาเข้าว่าสสาเป็นสายกลางเราก็ต้อง ทำให้ไม่ดีที่ผู้คนเราจะได้ไสบายเอตังปณิตังรูปวัฏปนิจิตกวัฏปณิบ้านก็มีเป็นทองคำเป็นแก้วมันหีอันะว่างสวัยควรยินดีเราต้องแสวงหาทรรม อย่างนี้แหละงเกี่จะเหมาะสมกับพวกเราเราที่เราว่ามาขึ้นธรรมะก็เข้ามาสู่ในดวงจิตดวใจของเราเราก็าริเจาะไปว่ากันทำไมล่ะก็ว่ากันให้ดีๆนั่นนั่นเองแล้เราก็ไปสู่มาพุ่งในปานกันสบายสบาย ว่าทังนิพพานเนี่ยวางขะาบต้มนุวมไปึงทั้งนิพพานไอ้คนนิพพานจากไม่มีสิ่ ง, งออรัำพีกกระหรอกหูรรยากาศเือกอีกินทางนั้นนะอดอยากกันเก่งกันกกนานคอยพวกเราได้รู้ รู้ถับกันนี้เราก็ตั้งใจทับความดีแล้วเราก็ข้าต้งก็นุมมันก็มีกิ น, มนไม่ขาดลายหวางไว้ตอกถางตลอดที่ขา ย, ยไปนิพานขอให้เอาอย่างนี้กันเถอะดีกว่าสมู่ถางนี้เป็นทางสบู่ ทางคือผัววงต้มก็ล่มตลอดทางพวกเราไม่อุดไม่ยากจริงแล้วว่าสบายกายสบายใจเราทุกโุดมนพนภาวน า, นาทุกสับใจดีใจเชื่อทำกระบเรลื้มกันไปทีนี้ก็เป็นจบเป็นจกเราใครก็ไม่มีลอ งูก็ไมีเส e ือก็ไม่ม ah ีสัตว okay ์รจนที่มันจะมาทาร้ายเราผีมาลอกเราก็ไม่มีทั้งหมดเดียวว่าสังนี้เป็นทางที่สบูรไปก็ถางสิสมบูรณ์บุรนี้สิ่งกีบกอดงามที ถ้าอย่างนั้นไม่มีงดงามแล้วกละเราก็ถูกมากดูการนกคุณทองไปถ้าเขาไม่มาอยู่กับเราก็พูดพระสาเราไม่ได้เราก็พูดธรรมะเจริญธรรมะก็ม่นมันขวนนุก็ต้องรู้ขึ้น ไม่ควรให้ควเห็นขึ้นไม่ไมสว่างไม่สวายก็สว่างสวขึ้นจึงจะรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องสวรรค์สมบัติผมสมบัตินิพานสมบัติก็รู้ขึ้นได้ลึกชาติถอยหลังก็ได้ลึกว้างหน้าก็ได้นี่ ถ้าเราไม่นั่งทำบรรจัยดีนะไม่มีธรรมที่สคุรกับพวกเราแอบไม่จ้ากันแล้วก็อยาติะแกรับไปแล้วกว็ให้มารับบุญกุศลเราทางจิตใจเนี่ยมันก็ดวกใจดีใจเชืฉยทำมี ธรรมะยางเป็นหนี์คนที่เขาตำหนังจะต้องรับส่วนบุญกุศลเขาก็ไม่รับได้มีสมาธิพอเล็กๆน้อยๆมันก็ผ่านเห็นผมคุณเล็บหวานนาา่ามา่งแต่พอชุมมาถานเนี่ยมันผ่านกันอยู่เรื่อยๆ แต่มันไม่ได้จริงๆถึงชันน้นตรเนี่ยมันต้องถึงตะตุทเทฌานน่นนะไอ้วิตกวิจาปรปิตุสุกเะกกาจานเนี่ยปิติเนี่ยมันจะตรงหาถึงสุกนะปิตุสุกเกฆาานเนี่ย สุแล้วก็เอกตาแล้วก็จะถึงจะตุวตรารู้บวกก็ถึงฌานตีแล้วใจมันก็จะแนบแน่นนั่นั่นเราก็จะลุกก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้มันคล่องแคล่วเป็นอวาสี แล้วจะขี้เกียจตัวนะที่เกียจัวมันไม่ได้นะจะจานกับมือสอนไงได้ให้มาเลิกโกรธกันซะก่อนมันก็กลายพระอธิยมามักพระอธิยามพุทมันก็จะเกิดหม่ขึ้นกับเร า, านะโกรธเพี่ยไปนรกนะ ควากลัวที่ไม่ไปนรกโมหะโมหะไม่รู้จะไปเป็นาตร์แต่ศาสตร์นะให้เรากลัวทเรากลัวนี่ถึงธรรมะได้ถ้ามันเราไม่กลัวแล้วก็มันก็จะมาได้ธรรมะ กรกดลงเนี่ขวางเราทั้หมดขวางแล้ ว, ว, ลวก็ไม่ได้ฌานเลยมันก็ไม่ถึงปิติได้แล้วก็ปิติมไม่ถึงนะสุขไดอย่างไรสุขก็ไม่ได้และที่นี่สุขไดมันก็จ้ถึงเอกตาแล้วไหวข้า กูเบค่าเราก็จะได้เราก็เราก็จะใครจะเรินผมไม่ห่านตีต่อเอ๊ะมันจะจะได้ผลทุกจะหมอกโรดกูยูมันไม่ได้อะไรมันทำไม่เสียหายไม่ติดเลยเกินและวไก่มาไา่โตก็อยากห้าพวกเนือกั ภาคุลงบแล้วเราก็ตอนพวกตงบแล้วพวกวงนกมตงบแล้วเขาว่ากลับไปหมดเลดิเมื่อไงเราลักเขากลับไหมดแล้วก็ตราตนามกมริญก็กรองกรงทิ จใไปประทับมาได้จะห้ยข้อพนทุกข์ได้ทำที่เราขอกรรม่านเนี่ยมันขอแล้วแล้วประพุทธเจ้า ก, ก็หายแล้วเราก็พยายามทำขึ้นเจด็ดเลยพนทุกข์นะกระดูกสัมไรทอดเดือ ตอนหนึ่งทอนไดที่เราไปรู้ไปเห็นแล้วเราจะทำให้วิ่งไปที่โน่นที่นี่ก็ได้แล้ววิ่งไปที่ไหนๆก็ก็ดูก็ันกจะสว่างสว่างกูมิบัติก็จะนั่ง นั่งได้มีญาณรู้เห็นตามกระดูกนั่นแหละมีทั้งฌานมีจนทั้งพระไกรลักษ์ด้วยเราก็จะสว่างสวัยขึ้นก็ยินดีในธรรมองค์ธรรมเรา ที่มันนั่ก็จะทาให้ไม่ได้ประกอบอย่ลักษณะอย่างเนี่ให้อยู่เห็นจำแก้งเราก็สิ่งข้อแตกดับแล้วก็สว่างจุดบัตรหรือผานทุดบัตก็จะได้เวลาจะตายเนี่ยพวก เราเราจะได้จะบัตร า, านถึงขั้นที่สุดก็ได้เพราะของนั้นไม่เข้ามันตรงเข้าแล้วเพราะเราทำก็ให้มันไปได้ดีเท่าเราเกิดหมาเนี่ยเป็นยิ่งก็ตามพุดฉายก็ตามเขอเห็นธรรมมาธิ รู้จักสมาธิแล้วก็นั่นแเราจะเป็นพระกันการที่ทจริงจะเป็นพระวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายหมดที่เรียกว่าส่งวิมุตต์แล้วก็ส่งธรร ม, มูล ตุมมุดใจยังไม่หลุดพ้นเลยแต่ก็ส่งตุมมุดนี่ก็มีอะไรละ่ะสิ่นต้องดีสิ่นดีแต่ยังไม่ได้อะไระก็ยังเป็นส่งตุมมุดได้แล้วพวกเรานี่จะตกใจนะ ถ้าเป็นตรงสมุตเราต้องเตงดีถ้าส่งให้มุตหลุดพลนเป็นพระริเจา้าพวกเราก็าจะได้พอใจในอรมว่าเรารู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าที่จะด็จไปวิญญาในวิชินี้ มือบุคคนใดอยู่ที่กาฐิสมรอยทอนในที่รุปูตินเทศให้ดูเท่าเราก็พยายามดูตามที่รุปูสิิเทศไปแล้วเราก็ดูตามเท่าลุงปูสิมนำยาน ให้ตามดูไปตามที่ท่านเสนานี้ก็อาจเห็นแล้วก็จํรับรำบริกได้โดยตามที่เราจะรูตมว่าตามดูตามรู้ตามเห็นตามที่พระเทศนาเราก็ดูตามไปเรื่ อ, อยๆ ท่านเทศว่าให้ดูจมูกบ้างให้ดูลูกตาแล้วก็ดูตาปลูกตาแล้วเมื่อเราจิตเป็นเรมาทิจจริงเราก็จะเจออย่างนั้นแหละแล้วที่นี้เราก็ทำให้อาวสัยคล่องแค่ววงไว้แล้วเราก็จะสำเร็จเรียกว่า ให้พอนว่าให้ลายมรตีปุตติพระนิพพานหนึ่งจงเกิดสมุดสมุดโดยชาปนอย่างนี้พวกเราก็พยายามการเอะจะได้ไม่ผิดหวังผิดหวังแต่ขุดขี้เกียจนั่นแหละคุณขี้เกียจทำไมเขาม า, ามาทำกัน เยอะเราก็ทีเกียจมมนอนหลับครอกๆคราจะได้จะสำเพ็ญก็กได้คนยไปบำเพ็ญอมตยก็ได้ก็ขอให้พวกเรามีเหียนมีมันจ ะ, จะ พปยมเดินทิวหาครูบาาจารย์จะ <_ S 1> ไปเดินหาที่ไหนที่จะเจอได้ไปแล้วเราก็ไม่เห็นธรรมะไม่รู้ถุกมะไปอยู่กับพระหรันเลื้อก็ทาเสียตัวเสียตนกันก็ม่รูร้จัก ทำให้ตัวตนเข้าถึงคำนม้ได้เราก็จึงอยจะหลักมาหลายแล้วต่ำขอให้พวกเราตั้งใจที่จะให้ได้ไดำมัคคีบทีพระนิพพานหนึน่งจงกระเริ่มจระเรือ ผู้ปฏิบัติไอตรงางก็ปฏิบัตอย่างนี้แหละผู้ใดมันจะฝ่าักิเลสได้ก็ปฏิบัตอย่างนี้แหละผู้ใดปฏิบัตมาอนปดผู้นั้นก็จะรู้จักธรรมะ ได้ปฏิบัติมากองแป็ก็จะกลายพระนิพพานเทียวพวกเราไม่ต้องสงใจเพราะมันอยู่ที่ใจเราทำให้มากนักเข้ามากนักเข้าฉันจะมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นเรื่องมันไม่รู้ไม่ได้ บอกว่าเมือ่อบุคบคลปาเลบาลมาออกแบบอยู่ก็จะเป็นพระอะรจาจเรยาไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยเพราะใจเรามันไม่ตื่นใจอิเลตไหมก็รู้ กิเลสดับก็รู้หมดฉายก็รู้หมดอก็รู้เท่านั้นเองอะไรรู้เรื่องไม่ใช่รารู้หรอกมักโอแปลกเธอรู้คนบนเบากมักโอก็จะิว่า ทำกลองเพลงองค์นี้เทศนาแล้วก็ยังได้ระ ล, ลึกชาติหลายๆเคยเป็นตะเค้มังเป็นเตือมังเป็นเป็นเหล่งมังที่เป็นเหล่ง ก็ามาเกิดเป็นคนในชาตินี้ท่านก็นในใจเป็นตรัส่าแล้วมาบวชแล้วก็ท่านก็ชอบไปทับาป่าทํธรรมแล้วพวกเราก็ได้ฝังธรรมะเนี่ยคนที่เลือกชาติได้ เป็นคนมีปัญญารักษาสิ่ดีรักษามีาสมาธิดีก็พึกแกได้เป็นโยรนพวกเราก็ได้ยินทันแล้วก็มันทำความเพียนเลิกความโกรธละถ้าโกรธแล้วก็ นิงน่งซะนิ่งในใจนิ่งในใจรื่มไม่พูดให้โสดาเกิเราก็ฆ่ากิเลสแล้วแล้วฆ่ากิเลสได้เราก็จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหม วันนี้ผ่านบ้างก็อย่างดีบาปที่เราทําไว้ก็จะล่หมดเสยเราก็จะเลกไปเลยในพระริปานก็ดีขอให้ท่านไปเยายมจากที่เสด็จสิคราดกันแล้วมมั่นทํำสมาธินะได้ฌานก็จะล็กชาติได้ สองชาติตามชาติก็อย่างดีอยากขี่เกียราิแตว่าบวชเนี้เท่าขีดเกียรตการแล้วมีความโกรธกระจังโกรธจะไปเกิดในะลกโลภะมาจะไปเป็นเปรต แวกโมหะจาไปพุกันปนรัชฌาลมะภาวนาภาวนาละขอตั้งอกตั้งใจไว้ดี เราจึงไม่รู้อะไรก็ให้ทำสมาติตจะคงหยาบุญถูกจะลืมจะประมาทโกคนนั้นโกคน น, กนี้อย่ากโกรดเลยจะสร้างนรกให้ตัวเองอ มักอกแสวันใหธรรมเป็นตามาธิก็รู้รู้เรื่องไง้สัตว์ทีทุกขโมงไยนิโรธมักก็มีดีใจดี ก็อาจจะได้พระที่เข้าบาลี่านันเนี่ยตายในเมล็ดในทะเลยังไม่เท่ากุเขานิ่านนะขอให้เราตั้งใจ